การปฏิบัติธรรมเป็นเหมือนกับการทำสงครามกับข้าศึกศัตรูข้าศึกศัตรูของพวกเรานี่ก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนั่นเองและเครื่องมือที่จะใช้ในการต่อสู้ กับข้าศึกศัตรูก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะสามารถเอาชนะข้าศึกศัตรูที่คอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับพวกเรา มาอย่างต่อเนื่องธรทมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละที่ได้ทำให้พระพุทธเจ้าได้ทรงชนะในการทำศึกสงครามกับข้าศึกษัตรูของพระพุทธเจ้าสนามรบมสถานที่ทำสงครามนี้ก็คือใจนี่เอง เป็นที่ตั้งของทั้งข้าศึกศัตรูและเป็นที่ตั้งของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าในใจของพวกเราผู้ที่เริ่มทาสมคามนี้ยังมีอาวุธน้อยอยู่คือมีพระธรรมน้อยอยู่ในใจ เราจึงจําเป็นต้องมาสร้างพระธรรมกันขึ้นมาในใจเพราะถ้าเรามีพระธรรมคำสอนอยู่ในใจมากเท่าไหร่เราก็จะสามารถทําลายข้าศึกศัตรูได้มากขึ้นไปเท่านั้นและถ้าเรามีครบเราก็จะสามารถ ทำลายข้าศึกษัตรูที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้การที่เราจะสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจเราก็ต้องรู้จักวิธีสร้างวิธีที่จะสร้างเราก็ต้องศึกษาจากผู้ที่รู้จักวิธีนั่นเองผู้ที่รู้จักวิธีสร้าง และได้สร้างมาแล้วและได้ใช้เครื่องมือนี้ได้ใช้ธรรมานี้ทำลายข้าศึกศัตรูไปจนหมดแล้วก็คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตาสาวกเป็นสารณะเป็นที่พึง่งยกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ของพระอาหาันตาสาวกเป็นที่พึ่งถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะรู้จักวิธีที่จะสร้างอาวุธที่จะเอามาใช้ทําลายข้าศึกศักศกตรูของพวกเราผู้ที่คอยสร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจให้กับพวกเราจนไม่มี หลงเหลืออยู่ภายในใจของเราทําให้ใจของเรานี้สงบตลอดเวลามีความสุขตลอดเวลาไปจนไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดใจไม่เหมือนกับร่างกายร่างกายนี้มีวันสิ้นสุดต่อให้เรา ดูแลรักษาร่างกายให้ดีขนาดไหนก็ตามเราก็จะไม่สามารถที่จะยับยั้งความเสื่อมและความดับของร่างกายไปได้ความสุขต่างๆที่เราได้รับจากร่างกายก็จะเสื่อมและจะดับไปกับร่างกายดังนั้นการลงทุน กับการดูแลรักษาร่างกายเพื่อให้ผลิตความสุขให้กับเรานี้จึงเป็นการลงทุนที่ขาดทุนเพราะในที่สุดก็จะต้องล้มละลายถ้าเป็นบริษัทก็ต้องต้องปิดไปเมื่อร่างกายถึงแก่ความตายไป ร่างกายก็จะไม่สามารถผลิตความสุขต่างๆให้กับเราได้แต่ถ้าเราลงทุนกับใจนี้จะเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนที่ถาวรความสุขที่เราได้รับจากใจจะคงอยู่กับเราไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี่แหละคือความสุขของพระพุทธเจ้า และความสุขของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ยังมีอยู่ในขณะนี้เพียงแต่เราไม่สามารถรับรู้ได้เท่านั้นเองเราไม่รู้ว่าพระทัยของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระอาหารหันตสาวกนั้นยังอยู่เหมือนกับสมัยที่ท่านมีร่างกายอยู่เหมือนกับจิตใจของพวกเราที่ยังมีอยู่ และจะมีต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพียงแต่ใจของเรานั้นยังเป็นสนามลบอยู่ยังเป็นที่ที่มีข้าศึกศัตรูคอยก่อกวนคอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราอยู่และจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้น้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสร้างธรรมอาวุธคืออาวุธของธรรมที่จะสามารถทำลายกิเลส ต, ตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดไปดังนั้นหน้าที่ของพวกเรา ถ้าเราอยากจะได้ความสุขที่ถาวรอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับเราก็ต้องศึกษาวิธีที่จะสร้างธรรมาวุธขึ้นมาพอเรารู้จักวิธีสร้างแล้วเราก็ดําเนินการสร้างพอดําเนินการสร้างไปไม่นานเราก็จะได้ธรรมาวุธ ขึ้นมาไว้สำหรับต่อสู้กับข้าศึกศัตรูไว้สำหรับทําลายกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วก็ทําให้เกิดความสุขที่ถาวรอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับเป็นรางวัล นี่คือหน้าที่ของพวกเราและสิ่งที่เราควรจะสร้างนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ว่ามีอยู่ห้าประการด้วยกันคือธรรมาวุธิที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูของเราข้อที่หนึ่งก็คือศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ความเชื่อในการสร้างธรรมอาวุธเพื่อที่จะเอามาทำลายกิเลสตัณหาว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดประโยชน์คือความสุขที่ถาบรให้กับใจของพวกเราข้อที่สองพอเรามีความเชื่อแล้วเราก็จะมี ความภาคเขียนมีความขยันมีวิริยะคือเราจะไม่นิ่งนอนใจเราจะไม่อยู่เฉยเฉยเราจะขวนขวายรีบสร้างธรรมอาวุธขึ้นมาธรรมอาวุธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราสร้างก็มีอยู่สามชิ้นด้วยกันคือสติสมาธิ และปัญญาซึ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างตามขั้นตอนเพราะเป็นเหมือนขั้นบันไดก่อนที่เราจะขึ้นขั้นสูงได้เราอยู่ที่ต่ำเราก็ต้องก้าวจากขั้นต่ำขึ้นไปขั้นแรกของการปฏิบัติธรรมหลังจากที่เรามีศรัทธามีวิริยะแล้ว ก็คือการเจริญสติการเจริญสตินี้ต้องมีวิริยะเป็นอย่างมากเพราะว่าต้องเจริญตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับถึงจะทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นมาได้ตามลำดับต่อไปถ้าไม่มีวิริยะความอุตสาหะที่จะเจริญสติอย่างต่อเนื่องสมาธิก็จะไม่เกิด เวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบใจก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอนั่งไปได้สักระยะหนึ่งก็ทนสู้กับกำลังของข้าศึกศัตรูคือกิเลสตันหาไม่ได้กิเลสก็อยากจะลุกอยากจะไปทำอย่างอื่นอยากจะไปเสพรูปเสียงกินโตสผดทพะถ้าไม่มีสติคอยควบคุมกิเลสตันหา ควบคุมความคิดที่เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาก็จะทนสู้กับความอยากของกิเลสตัณหาไม่ได้ก็จะนั่งสมาธิไม่สมําเร็จต้องลุกขึ้นไปทําอย่างอื่นแทนไปดูอะไรต่างๆไปฟังอะไรต่างๆไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆเพื่อจะได้ คลายความหุดหงิดนำคาญใจที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจเวลาที่เกิดความโลภความอยากต่างๆดังนั้นการเจริญสติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากต้องเจริญอย่างต่อเนื่องจเจริญตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเครื่องมือที่จะใช้ในการเจริญสตินี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานมีสี่สิบชนิดด้วยกันถ้าเปรียบเป็นอาหารก็มีอาหารที่หลากหลายแต่มีผลเหมือนกันผลประโยชน์ที่เกิดจากการรับประทานอาหาร ก็คือดับความหิวทำให้เกิดความอิ่มขึ้นมาการเจริญสติอย่างใดอย่างหนึ่งใน4ี่สิบกรรมฐานนี้ก็เป็นอย่างนั้นเป็นการควบคุมความคิดปุ่งแต่งที่จะเป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาที่จะทำให้ใจพุ้งซ่านวุ่นวายหงุดหงิดดำคานใจ ไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามีกรรมฐานสี่สิบอย่างใดอย่างหนึ่งไว้ควบคุมใจควบคุมความคิดเพราะว่าเวลาที่เราใช้กรรมฐานใจก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้เช่นการบริกรรมพุทโธนี้ก็เป็นการเจริญกรรมฐานอย่างหนึ่งถ้าเราเจริญบริกรรมพุทโธ เราจะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ามันไปคิดถ้าเราไม่ไปสนใจเราให้ความสำคัญอยู่กับการบริกรรมพุทโธต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะหายไปในเบื้องต้นอาจจะแข่งขันอยู่เพราะความคิดยังมีกำลังมากอยู่เราบริกรรมพุทโธไปความคิดก็จะ แท้เข้ามาคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ได้เราก็อยากไปให้ความสําคัญกับความคิดนั้นเท่านั้นเองให้ความสําคัญอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปในเบื้องต้นก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนฝ่ายต่อสู้คู่ฆ่าศึกษัตรูเขายังมีกําลังมากเขายังสามารถผักนั้นให้เกิดความคิดต่างๆออกมาได้ แต่ถ้าเราไม่ไปให้ความสําคัญไม่ไปสนใจกับความคิดเหล่านั้นให้ความสําคัญกับกรรมฐานที่เราใช้เป็นอารมณ์ควบคุมใจเช่นการบริกรรมพุทโธต่อไปการบริกรรมพุทโธก็จะเด่นขึ้นมามีกาลังมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับจนต่อไปความคิดต่างๆก็จะ ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้แต่ในเบื้องต้นนี้ต้องมีความอดทนต้องมีความพยายามมากอยาก่าอยากได้ผลเร็วเพราะจะทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเวลาที่ยังไม่เกิดผลขึ้นมาในเบื้องต้นผลที่ต้องการก็คือ ขอให้ได้มีการบริกรรมขอให้ได้มีการเจริญสติไปอย่างต่อเนื่องก็พอแล้วส่วนความสงบนี้จะเกิดขึ้นเมนื่อไหร่นี้ยังไม่ต้องไปกังวลยังไม่ต้องไปอยากเพราะอยากจะให้สงบแล้วไม่สงบนี่จะทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายและอาจจะทำให้ไม่อยากจะปฏิบัติต่ตอไปก็ได้ แต่ถ้าเราเพียงแต่รู้ว่าเราสามารถบริกรรมพุทธโธได้จะได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยให้คิดอย่างนี้ในเบื้องต้นเช่นวันหนึ่งถ้าเราสามารถบริกรรมพุทธโธถึงแม้ว่าจะขาดบ้างเกินบ้างแล้วเรามารวบรวมเวลาที่เราบริกรรมพุทธโธนี้ได้สักชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าเราได้มากแล้ว วันหนึ่งเราเคยรวบรวมพุโทโธบริกรรมพุโทโธได้ถึงชั่วโมงหนึ่งไหมวันหนึ่งมีตั้งยี่สิบสี่ชั่วโมงตัดไปสักแปดชั่วโมงสำหรับการหลับนอนเราก็มีเวลาตื่นสิบหกชั่วโมงด้วยกันภายในสิบหกชั่วโมงนี้เรามีการเจริญกรรมฐานมีการเจริญสติถึงหนึ่งชั่วโมงหรือไม่ห้เรามองอย่างนี้ไปก่อน ให้เราพยายามมีการเจริญสติไปก่อนซึ่งในเบื้องต้นก็จะต้องแบบล้มลุกคลุกขานไปจะให้เป็นเหมือนนักวิ่งแข่งเหรียญโอลิมปิกเลยในทันทีทันใดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้เด็กที่ยังเดินไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้ก็ต้องล้มลุกคลุกขานไปก่อนแต่ต่อไปก็จะยืนได้ยืนได้แล้วก็จะเดินได้ เดินได้แล้วก็จะวิ่งได้พอวิ่งได้ถ้าฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก็สามารถที่จะไปชิงเหรียญทองโอลิมปิกได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมีขั้นมีตอนไม่ได้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาทันทีทันใดตามความปรารถนายกเว้นบุคคลที่ในอดีตได้เคย จเจริญสติมาอย่างต่อเนื่องอย่างมากแล้วอย่างนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเช่นพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงพระเยาว์วัยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทรงประทับอยู่ตามลำพังปัรดาข้าราชบริพารไปยุ่งกับภาระอย่างอื่นเลยไม่ได้มีเวลาที่มาห้อมร้อมมาคอยรับใช้ เจ้าชายสิทธัตถะพอทรงประทับอยู่ตามลำพังกายก็เกิดความสงบวิเวกขึ้นมาพอกายมีความสงบวิเวกใจที่เคยสงบมาในอดีตใจที่มีสติประคับประคองอยู่อย่างต่อเนื่องเมื่อไม่ต้องไปใช้ความคิดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ใจของพระพุทธเจ้าก็รวมเข้าสู่ความสงบได้นี่เป็นเรื่องของอกรรมที่ได้ทำมาในอดีตกรรมดีก็คือการได้ฝึกฝนได้เจริญสติมาในอดีตเป็นสิ่งที่ติดฝังมากับใจทมนี้จะติดไปกับใจแต่ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ลาบยศจะเสนนี้จะไม่ติดไปกับจิตใจต่างกันตรงนี้ผู้ที่เจริญธรรมจึงได้กำไรเพราะว่าสามารถเอาธรรมที่เจริญนี้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตผู้ที่ไม่ได้เจริญธรรมก็ไม่มีอะไรติดตัวไป เวลามาเจริญธรรมในเบื้องต้นจึงรู้สึกว่ายากยากจนไม่อยากจะเจริญแต่ผู้ที่ได้เจริญธรรมมาแล้วนี่ก็จะเจริญได้อย่างต่อเนื่องถ้าเรายังไม่มีเรารู้สึกยากก็อย่าให้ความรู้สึกยากนี้มาเป็นอุปสรรคให้เราคิดว่าเราไม่ได้ทำมาก่อน เมื่อเราไม่ทํามาก่อนเราก็ต้องทําในวันนี้ต่อไปในวันข้างหน้าเราก็จะมีทํามากขึ้นไปเองถ้าเราคิดแต่ท้อทแท้คิดว่าไม่อยากทําเราก็จะไม่มีวันที่จะทาได้ดังนั้นเราต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้ปัญหาคือความท้อทแท้ความคิดว่ามันยากนี้ ดยการให้เราดูผู้อื่นผู้ที่เขาทาได้กันว่าเขากับเราก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันคือมีร่างกายมีจิตใจเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันต่างกา็ตรงที่ปริมาณที่มีอยู่ในใจคือทำอาจจะมีไม่เท่ากันผู้ที่มีทำมาก ก็จะง่ายในการเจริญธรรมถ้าผู้ที่มีธรรมอยู่ภายในใจน้อยก็จะยากเพราะกิเลตัณหาค่าศึกของธรรมนี้จะมีกำลังมากแต่ผู้ที่มีธรรมมากกิเลตัณหาที่คอยต่อต้านธรรมนี้จะมีน้อยกว่าดังนั้นไม่ว่าจะมีน้อยหรือมากก็ ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญขอให้เรารู้ว่าถ้าเราสร้างทาขึ้นไปไดเรื่อยจะยากจะช้าอย่างไรในที่สุดเราก็จะต้องได้เหมือนกับที่ผู้ที่เขาได้กันเพราะถ้าเขาได้กันแล้วเราไม่ได้นี่มันก็ถือว่าไม่ยุติธรรมไม่เป็นเหตุเป็นผลผลก็คือ ธรรมที่เราจะได้รับจากการจเจริญเหตุคือการขวนขวายสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจถ้ามีการขวนขวายขวนขวายสร้างธรรมะขึ้นมาภายในใจผลมันก็ต้องปรากฏขึ้นมาตามลําดับะช้าบ้างเร็วบ้างก็ขอให้เราใจเย็นๆไว้ขอให้เราทําไปเรื่อยๆในที่สุด เราก็จะได้ผลเช่นเวลาเรียนหนังสือบางคนก็เรียนเร็วอาจจะจบเร็วกว่าบางคนที่เรียนช้าอาจจะใช้เวลานานกว่าแต่ถ้ามีการเรียนอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วก็จะสำเร็จเหมือนกันนี่คือ วิธีที่จะทำให้เราเกิดวิริยะขึ้นมาวิธีที่จะทำให้เราไม่ท้อแท้เบื่อหนายไม่ยอมแพ้ขอให้เราทำไปตามกำลังของเราการเจริญสตินี้มันไม่ได้เป็นของหนักหนาะสาหาัสเพราะเราไม่ได้แบกของหนักเลยไม่ได้แบบเข้าสารเหมือนกรรมกรเราเพียงแต่ให้เราลึก ถึงอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่อย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองสิ่งที่จะทำให้เราทำได้ก็คือเราต้องมีการตั้งเป้าเอาไว้ตั้งเป้าว่าวันนี้เราจ ะ, จะเจริญสติแล้วก็พยายามทำตามที่เราตั้งเป้าเอาไว้ได้มากได้น้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยถ้าเราไม่ตั้งเป้าเลย เราก็จะไม่สนใจที่จะเจริญสติกันเราก็จะปล่อยให้ใจของเราไหลไปตามกระแสอารมณ์ต่างๆแล้วก็เกิดความอยากความโลภต่างๆขึ้นมาแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมานี่คือลักษณะของใจที่ไม่มีสติคอยควบคุม จะถูกกระแสะของกิเลสตัณหาความโลภความอยากของโมหะอาวิชชาชุดลากไปให้ไปหาสิ่งที่เป็นทุกข์แก่จิตใจเพราะสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาดึงใจให้ไปสวงหานี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งนั้นคือสิ่งต่างๆที่ได้มานี้ เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งชั่วคราวมีการได้มาแล้วก็ต้องมีการเสียไปมีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเวลาที่เจริญก็เป็นความสุขเวลาที่เสื่อมก็เป็นความทุกข์นี่คือการปล่อยให้ใจไม่มี สติคอยควบคุมบังคับใจถ้ามีสติใจก็จะไม่ไหลไปกับกระแสของความโลภความอยากความหลงต่างๆจะอยู่สักแต่ว่ารู้ได้จะอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่รู้สึกอึดอัดลำคานใจไม่รู้สึกวุ่นวายใจไม่รู้สึกหงุดกิดใจแต่อย่างใด เวลาใจว่างนี้ใจจะเบาจะเย็นจะโล่งเหมือนลอยอยู่ในอากาศดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญต่อการเจริญสตินอกจากการบริกรรมพุทโธเราก็สามารถใช้อย่างอื่นแทนพุทโธก็ได้เช่นเราใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติก็ได้ โดยให้ใจของเราจดจอ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอร่างกายจะลุกขึ้นมาก็ให้ใจจดจอ่ออยู่กับการลุกขึ้นของร่างกายยืนขึ้นก็จดจอ่ออยู่กับการยืนเดินก็จดจอ่ออยู่กับการเดินทำภารกิจต่างๆก็จดจอ่ออยู่กับการทาภารกิจ เช่นล้างหน้าล้างตาแปลงฝันอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปที่ทำงานเวลาเหล่านี้เราสามารถเจริญสติได้ถ้าเราทำของเราตามลำพังถ้าเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ถ้าเราเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเราก็ต้องมีการสนทนามีการพูดคุยกันก็ต้องมีการคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วก็เผลอได้เผลอไปคิดเรื่องอื่นต่อได้ดังนั้นถ้าเรายังไม่ต้องพบปากกับคนในช่วงเช้าช่วงที่เราเตรียมตัวที่จะไปทำงานช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราสามารถเจริญสติได้ แล้วยิ่งถ้าเรามีเวลามากพอตื่นเช้าขึ้นมาก่อนที่เราจะไปทําภารกิจต่างๆเราก็นั่งสมาธิกันไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนถ้าเรานั่งสมาธิไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์เป็นการกล่อมใจไปก่อนเป็นการสร้างสติดึงใจไปก่อนเวลาสวดก็ให้มีสติจดจ่ออยู่กับบทสวด ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือจะเปิดฟังธรรมะก่อนไปก็ได้ก่อนที่จะไปทำภา ร, รกิจการงานเปิดเทศ ฟ, ฟังสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งให้มี <c oughs> ธรรมะหล่อเลี้ยงจิตใจให้มีปัญญาคอยเตือนตนให้ไม่ให้หลงไปกับสิ่งต่างๆที่จะต้องไปสัมผัสรับรู้ สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกใจนี้ล้วนเป็นของปลอมทั้งนั้นเป็นเหมือนฟองน้ําถึงแม้ว่าจะดูน่ารักน่าชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าจะได้รับความสุขจากสิ่งต่างๆมันก็เป็นความสุขชั่วคราวได้รับความสุขในขณะที่ได้สัมผัสพอผ่านไปแล้วความสุขเหล่านั้นก็จางหายไป ปล่อยให้ใจกลับมาอยู่ที่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวอยู่กับความอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ใหม่นี่คือวิธีที่เราจะใช้เจริญสติในชีวิตประจำวันของเราพยายามให้มีสติมีกรรมฐานคอยควบคุมความคิดของเรา ให้หยุดความคิดแล้วให้มีแต่ความรู้ใจของเรานี้มีสองส่วนด้วยกันส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้ส่วนที่รู้นี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยส่วนที่รู้นี่เป็นคุณเป็นประโยชน์ส่วนที่คิดนี่เป็นพิษเป็นภัยเพราะยังอยู่ภายใต้ของกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่จะคิดสร้าง ปัญหาสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่ใจถ้าเราหยุดส่วนที่คิดได้แล้วให้เหลืออยู่แต่ส่วนที่รู้ให้รู้อยู่กับสิ่งที่เรากะทาอยู่การกระทํอะไรต่างๆของเราก็จะกระทำไปได้อย่างเรียบร้อยดีงามถ้าเรามีปัญญาเสริมผู้รู้คอยสอนผู้รู้ด้วยยิ่งดีใหญ่ เวลาที่เราทำอะไรที่ไม่ถูกไม่เป็นธรรมปัญญาก็จะได้เตือนเราเช่นถ้าเราจะทำผิดศีลปัญญาก็จะบอกว่านี่ไม่ถูกต้องเราก็หยุดได้เราก็จะทำแต่สิ่งที่ถูกต้องถูกทำแล้วเราก็จะไม่มีโทษตามมาไม่มีปัญหาตามมา นี่คือเรื่องของการเจริญสติขอให้พยายามเจริญอยู่เรื่อยๆ เ, ยเวลาทำงานก็ให้มีสติอยู่กับการงานที่เราทำเวลาที่เราต้องพูดคุยกับผู้คนก็ให้มีสติอยู่กับการพูดคุยและอยู่กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นถ้า เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็ต้องระ ง, งับให้ได้ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังคิดไปในทางของกิเลสตัณหาคิดไปในทางโมหะอาวิชชาถ้าเป็นความคิดที่ถูกแล้วจะไม่มีอารมณ์ถ้าเป็นความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลจะไม่มีอารมณ์ต่างๆขึ้นมาผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกไป แต่ถ้าพยายามจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกนี่หรือจะทําถูกให้เป็นผิดนี่มันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ถ้ามีสติแล้วก็มีปัญญาคอยสอนใจว่าความถูกต้องนั้นเป็นอะไรก็พยายามควบคุมใจให้ทาในสิ่งที่ถูกต้องใจก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจอย่างน้อยเราก็จะสามารถ รักษาใจไม่ให้ตกอยู่ในห่วงของความทุกข์ของความวุ่นวายใจได้แต่ยังไม่สามารถให้ใจเข้าสู่ความสงบได้เพราะความสงบนี้จะต้องเกิดจากการยุติการกระทําต่างๆทางร่างกายทางวาจาและทางใจนั่นเองดังนั้นเวลาที่เรามีเวลาว่างในช่วงเวลาทํางาน ที่เรามีเวลาพักเราลองนั่งหลับตาแล้วเราก็จเจริญสติต่อจะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้จะใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้ทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วจะมีความสุขมีความสบายนี่เป็นสิ่งที่เราต้องขวนขวาย ต้องพยายามดึงใจให้ทำสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ว่าเราอยู่จะอยู่ที่สถานที่ใดก็ตามถ้าเรามีความใฝ่ปักใฝ่ในความสงบเราจะหาเวลาได้แม้แต่ขณะที่เข้าห้องน้ำนี้เราก็หาเวลาทําใจให้สงบได้เพราะห้องน้ำนี้ก็เป็นสถานที่ปักจะจัก ผู้คนที่จะมาคอยรบกวนเราฉะนั้นบางทีถ้ามีคนมารบกวนมากๆบางทีก็อาจจะต้องหลบไปเข้าห้องน้ำเพื่อหาที่สงบสงัดเพื่อที่จะได้เจริญสติเพื่อที่จะได้หยุดใจที่กำลังคิดไปในทางกิเลสตัณหาคิดไปในทางความวุ่นวายใจต่างๆให้มีการพักบ้าง เหมือนกับเวลาที่เขามีการชกมวยเขายังมีเวลาพักเขาชกสามนาทีเขาก็ให้พักหนึ่งนาทีให้ดื่มน้ําให้พักเอาแรงเพื่อที่จะได้กลับมาต่อสู้กันต่อได้ทันใดเราก็ควรจะหาเวลาพักหาเวลาอยู่ตามลําพังเพื่อเราจะได้พักใจเพื่อเราจะได้เจริญสติ ทำใจให้สงบถ้าเราสามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเวลาที่เราจะทำใจให้สงบเป็นสมาธินี้ก็จะไม่ใช้เวลามากสิบนาทีสบห้านาทีก็สามารถที่จะเข้าสู่ความสงบได้ความสงบที่เราต้องการนี้เป็นความสงบที่นิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งปราศจาก การรับรู้เหตุการณ์ต่างๆภายนในเช่นนิมิตต่างๆอันนี้ถ้าไปรับรู้เรื่องนิมิตนี้เป็นความสงบที่ไม่ถูกต้องคือเป็นความสงบที่ไม่มีอุบเบกขาเป็นความสงบที่ยังมีการทำงานของใจอยู่ใจยังไม่ได้พักอย่างเต็มที่ เหมือนกับคนนอนหลับแล้วฝันไปคนนอนหลับฝันกับคนนอนหลับแล้วไม่ฝันนี้ผลจะแตกต่างกันคนที่นอนหลับฝันไปนี้บางทีตื่นขึ้นมาแทนที่จะรู้สึกได้พักผ่อนกับจะเหนื่อยแอ่คนที่นอนหลับแล้วไม่ฝันนี้เวลาตื่นขึ้นมาจะมีความรู้สึกสดชื่นมีกําลังวังชา ที่จะไปทำภารกิจการงานต่างๆต่อไปอย่างใดสมาธิที่ถูกต้องก็คือสมาธิที่สักแต่ว่ารู้เป็นหนึ่ ง, เ ป, เ, งเป็นเอกขตารูเป็นอุเบกขาว่างปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าจิตอยู่ในภาวะสภาวะนั้นก็ปล่อยให้จิตหรือประกับประคองจิตให้อยู่ในสภาวะนั้นด้วยสติ อย่าปล่อยอย่าเปดึงจิตออกมาทำงานในขณะนั้นขณะนั้นยังไม่ใช่เป็นเวลาทำงานเหมือนกับเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่เป็นเวลาที่เรายังไม่ต้องการจะใช้เครื่องเพราะเวลาใช้เครื่องก็จะดูดเอาพลังที่เราได้ชาร์จเอาไว้การชาร์จก็จะไม่เต็มหรือจะต้องใช้เวลานานถึงจะชาร์จได้เต็ม แต่ถ้าเราไม่ใช้ความคิดเลยในขณะที่จิตสงบนี้จิตก็จะเติมกำลังได้อย่างรวดเร็วและเวลาออกมาจากสมาธิจะมีอุเบกขาติดค้างอยู่นานจะสามารถใช้อุเบกขานี้ในการต่อสู้กับกิเลสตัญหาสามารถที่จะทำให้ ปัญญามีเวลาทำงานได้เวลาถ้าไม่มีอุเบกขาเวลากิเลสออกมาปั๊บนี่ปัญญาจะไม่สามารถทำงานได้เพราะกิเลสตัณหานี้จะมีกําลังมากทำให้ไม่สามารถที่จะพิจารณาไตรลักษณ์ได้ไม่สามารถพิจารณาอาริยสัจสีได้แต่เวลาจิตมีอุเบกขานี่ กิเลสตัณหาจะไม่มีกำลังออกมาสร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้แก่ใจใจก็จะมีเวลาจเจริญพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอริยสัจสี่เวลาที่กิเลสปรากฏขึ้นมาแล้วเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่า อ, อ๋อนี่ความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเกิดจากกิเลสคือความอยากนี่ แล้วถ้าอยากจะให้กิเลสนี้ตายไปหรือหยุดไปก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่กิเลสอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นความสุขชั่วคราวเวลามันหมดไปใจก็จะต้องทุกข์ทุกข์แล้วก็ต้องอยากหาขึ้นมาทดแทนอ้ามาได้เท่าไหร่ก็ต้อง หามาอยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวเช่นความสุขที่ได้จากการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่เวลาอยากจะสูบบุหรี่แล้วได้สูบนี้ก็จะมีรู้สึกว่ามีความสุขเวลาที่อยากนี่จะรู้สึกไม่ค่อยสุขรู้สึกว่าหงุดหงิ ด, ดําคาญใจพอได้สูบแล้วก็รู้สึกสบายใจ เพราะว่าได้รับความสุขแต่เป็นความสุขชั่วคราวพอสุขหมดแล้วความความอยากใหม่ก็จะปรากฏขึ้นมาต่อก็ต้องสูขไปเรื่อยๆคนที่ติดโซราติดโดรีติดยาเสพติดก็เพราะว่าความสุขที่ได้รับจากสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแต่แรกว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุข เพราะว่าเวลาที่ไม่ได้เสพเป็นเวลาที่ทุกข์ทรมานใจมากถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแต่ถ้าหยุดความอยากได้ก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจกับสิ่งที่เคยอยากจะเสพแต่เดี๋ยวนี้เลิกเสพแล้วก็สามารถลากความอยากได้วิธีลาบความอยากก็ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันเป็นโทษมันไม่เป็นคุณเนี่สู้อยากไปอยากดีกว่าพอเราไม่อยากแล้วต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปเราก็จะอยู่อย่างสบายไม่ต้องมีความอยากมาคอยกดดันมาสร้างความทุกข์ให้กับเรานี่คือสิ่งที่เราจะสามารถทําได้ถ้าเรามีอุเบกขา ถ้าเราไม่มีอุเบกขานี่ยพอเกิดความอยากวักเนี่ต้องวิ่งทำตามความอยากทันทีไม่มีแรงต้านแต่ถ้ามีอุเบกขาที่ติดข้างมาจากการนั่งสมาธินี่อุเบกขาจะชะลอความอยากหรือว่าลดกําลังของความอยากลงถึงแม้ว่ายังมีอยู่แต่มันก็ไม่รุนแรงถึงกับที่เราจะไม่สามารถใช้ปัญญามาพิจารณามาสอนใจ ให้เห็นโทษของความอยากให้เห็นโทษของสิ่งที่เราอยากได้ว่ามันเป็นเพียงของชั่วคราวอันนี้นะเรียกว่าการเจริญปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเกิดความอยากปับ๊บมันเป็นปัจจุบันทันด่วนก็ต้องใช้ปัญญาแก้กันถ้าออกมาแล้วยังไม่มีความอยากปรากฏขึ้นมาเราก็สามารถจำลองเหตุการณ์ต่าง ที่จะทำให้เกิดความอยากต่างๆเกิดขึ้นมาในอนาคตก็ได้เช่นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายต่อไปมันจะต้องออกมาเวลาเราเจอความแก่เวลาเราเจอความเจ็บเวลาเราเจอความตายมันจะต้องออกมาเวลามันออกมานี้มันจะสร้างความหวาดกลัวสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจเป็นอย่างมากถ้าเราไม่ซ้อมสร้างปัญญาขึ้นมา เพื่อมาระ ง, งับความอยากอันนี้เราก็จะสู้กิเลสไม่ไหวสู้ความอยากไม่ไหวเราจึงต้องพิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยๆให้สอนใจให้เตรียมตัวรับกับความแก่ของร่างกายรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายรับกับความตายของร่างกายเมื่อจิตใจได้พิจารณาอยู่ในระดับหนึ่งก็จะ ยอมรับความจริงได้ว่าทำอย่างไรก็ห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาซ้อมดูว่าเราจะรับกับมันได้ไหมเช่นความเจ็บเราก็นั่งสมาธิไปแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายเจ็บเจ็บแล้วก็ใช้ปัญญามาดับความเจ็บที่มีอยู่สองชั้นด้วยกัน ความเจ็บชั้นแรกคือความเจ็บทางร่างกายนี้เราดับมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายแต่ความเจ็บชั้นที่สองนี้เป็นความเจ็บที่ใจผลิตขึ้นมาเองที่เรียกว่าความเจ็บในอริยสัจทุกในอริยสัจเนี่ยทุกที่เกิดจากความอยากให้ความเจ็บหายไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถดับได้ และเป็นความเจ็บที่รุนแรงกว่าความเจ็บของร่างกายหลายเท่าด้วยกันถ้าเราสามารถดับความเจ็บทางใจได้ความเจ็บทางร่างกายจะไม่เป็นปัญหากับใจใจจะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายวิธีที่จะดับความเจ็บทางใจก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายไปเพราะเราไปสั่งเขาไม่ได้ เราขับไลยเขาไปไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของเราเราเรียกเขาว่าเขาเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นส่วนที่เราจะสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เขาเป็นอนิจจังเขามีการเกิดมีการดับมีการมามีการไปตามเหตุตามปัจจัยต่างๆของร่างกายเวลาร่างกายเดินไปเตะอะไรเข้ามันก็เจ็บได้ หรือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยในส่วนใดส่วนหนึ่งมันก็เกิดอาการเจ็บขึ้นมาได้เราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งให้เขาหายไปไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาหายแล้วมันก็จะทําให้เราผลิตความเจ็บใจใจซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งที่เป็นความเจ็บที่รุนแรงกว่าความเจ็บของทางร่างกายที่เราทนกันไม่ได้ไม่ใช่ความเจ็บของทางร่างกายแต่ความเจ็บของทางใจ พระพุทธเจ้าพระอรหานตท่านไม่ท่านไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของทางร่างกายเพราะมันเป็นส่วนย่อยท่านดับความเจ็บที่เป็นส่วนใหญ่ได้คือความเจ็บทางใจด้วยการใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาหยุดความอยากอยากให้ความเจ็บทางร่างกายหายไปเท่านั้นคือทําใจให้เป็นอุเบกขานั่นเองให้อยู่เฉยเฉยให้รับรู้เฉยเฉยไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งกับเรื่องของ ความเจ็บของร่างกายคิดไปก็ทุกไปต่อเปล่าอยากไปคิดดีกว่าอย่ากไปอยากให้มันหายดีกว่าปล่อยมันเป็นอย่างนั้นของมันไปใจให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆพอใจเข้าใจใจมันก็จะกลับเข้าสู่อุเบกขาเพราอมันจะรู้โทษรู้คุณของการอยู่อยู่ด้วยความอยากกับอยู่ด้วยอุเบกขาว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับยิอง ถ้าอยู่กับอุเบกขาแล้วมันเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น ท, ท, ทั้งที่ร่างกายกําลังเป็นไฟนรกอยู่แต่ใจกลับเป็นสวรรค์ใจเป็นอุเบกขาใจมีแต่ความสงบนะแต่ถ้าใจเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเป็นนรกสองชั้นขึ้นมาทันทีนรกทางร่างกายแล้วมันเป็นนรกทางจิตใจด้วยเนี่ยคนที่บางคนถึงกับฆ่าตัวตายนี่ก็เพราะ ทนนรกของร่างกายกับของจิตใจไม่ไหวไม่มีธรรมะ ค, คู่คู่บุรต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่สร้างนรกทางใจขึ้นมาสร้างวิภวะตันหาขึ้นมาคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายผู้ใดที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็จะไม่มีความสามารถที่จะสู้กับความเจ็บทางร่างกายได้ ไม่สามารถที่จะดับความเจ็บทางจิตใจได้ผลก็เลยต้องฆ่าตัวตายนี่ก็เป็นการกระทำแบบโง่เขลาเบาปัญญาอีกเพราะการฆ่าร่างกายนี้ก็ไม่ได้ไปฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ภายในใจแต่กลับไปสร้างกิเลสตัณหาในกิในใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอีกเวลาฆ่าตัวตายความทุกข์ในใจกับทวีคูณเพิ่มมากขึ้นไป แล้วก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็ยังซุ้มอยู่ในหัวใจอยู่เนี่ยใจที่รุ่มร้อนใจด้วยการฆ่าตนเองนี้ก็จะไปนรกนั่นเองไปพรอมความร้อนนี่คือนรกดีๆ ด, ดังนั้นวิธีที่จะทำให้ใจไปสวรรค์ใจไปสู่มรรคผลนิพพานก็ต้องทำใจให้สงบเท่านั้นทำใจให้เป็นอุเบกขา ด้วยการใช้สติสมาธิและปัญญาถ้าเรายังไม่มีเราก็ต้องรีบขวนขวายสร้างกันขึ้นมาเพราะธรรมะนี้เป็นยาวิเศษถ้าเป็นเปรียบเทียบกับโครคภัยไข้เจ็บที่เรากำลังรักษากันไม่ได้ในปัจจุบันนี้เช่นโรคมะเร็งถ้ามีผู้ใดาสามารถประดิษฐ์ยาหรือวิธีรักษาโรคมะเร็งได้นี้รับร อ, องได้ว่าจะมีคนสมัครเป็นนักเรียนนักศึกษา มาเรียนรู้วิชานี้กันเป็นจำนวนมากมายชั้นใดธรรมะก็เป็นเหมือนยารักษาโรคมะเร็งนี่เองแต่พวกเราไม่รู้ว่าเรามีโรคมะเร็งอยู่ในตัวเราเราจึงไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมะโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์ในใจของเราเห็นว่าความทุกข์นี้มันเป็นโรคร้ายของใจ ที่รุนแรงกว่าโรคร้ายของทางร่างกายแล้วมียาวิเศษที่จะรักษาโรคร้ายทางใจนี้ได้เราจะไม่ขวนขวายเอายานี้มารักษาใจเราหรือผู้ที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ต้องไปผู้ที่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ยินได้ฟังทำอยู่เรื่อยๆเราจะได้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของตนเองว่าอยู่ที่ไหนกันแนะ่ ไม่ได้อยู่ที่การอดอยากขาดแคลนปัจจัยสี่ไม่ได้อยู่ที่การเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่อยู่ที่กิเลสตัณหาที่คอยสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่ใจอย่างไม่มีวันจบวันสิ้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เกิดศรัทธา เกิดวิญยะที่จะมาสร้างยาคือหรือทาอาวุธเครื่องอาวุธที่จะมาใช้ทำลายข่าศึกศัตรูของเราก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราพ อ, อเรามีวิญยะแล้วเราก็จะเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องเราจะเจริญสติเราจะพยายามปรกวิเวกอยู่ตามลำพัง เพราะว่าการอยู่ตามลําพังปิดวิเวกนี้เป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจริญสติได้อย่างมากที่สุดถ้าเราต้องอยู่ท่ามการบุคคลท่ามการเหตุการณ์ต่างๆการที่เราจะเจริญสติให้อยู่กับอารมณ์เดียวนี้จะเป็นไปได้ยากเพราะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาให้เรารับรู้อยู่ตลอดเวลาเมื่อเรามีเรื่องราวต่างๆเข้ามารับรู้ใจก็ต้องแกว่งไปแกว่งมาไปกับเรื่องราวนั้น ใจก็จะไม่มีวันนิ่งได้แต่ถ้าอยู่กับเรื่องเดียวนี้ใจจะนิ่งได้ดังนั้นผู้ที่มีความเพียรแล้วก็ต้องปีกวิเวกต้องไปอยู่ตามลำพังไปสารวมเอ็มรีตาหูจมูกวิ้งกายไม่ให้เอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาทางทวารทั้งห้าเพื่อมาก่อกวนการเจริญสตินี่เองพออยู่ตามลำพังได้เพียรได้ก็จะได้สติได้อวุธ ชิ้นที่หนึ่งพอได้สติพอนั่งสมาธิก็จะได้อาวุธชิ้นที่สองก็คือสมาธิความสงบความเป็นอุเบกขาพอออกจากสมาธิมาพร้อมกับอุเบกขาก็จะสามารถใช้ปัญญาพิจารณาความทุกข์ได้เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็จะมีเวลามีกําลังที่จะแยกแยะว่าความทุกข์นี้มาจากที่ไหนเกิดจากอะไร พอเห็นว่าเกิดจากอะไรแล้ววิธีที่จะดับดับได้อย่างไรก็จะเอาวิธีนั้นมาดับได้แล้วก็ได้ที่สุดก็จะสามารถหยุดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจได้หมดพอไม่มีเหตุคือตอันหาวามหยาดหลงเหลืออยู่ภายในใจแล้วใจก็หายจากโรคทุกข์จะไม่มีวันทุกข์อีกต่อไป ใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ทั้งหลายนี้คําว่าคําคําว่าทุกข์นี้ไม่มีอยู่ภายในใจของท่านนับตั้งแต่วันที่ท่านทําลายกิเลสตัณหาได้หมดไปจากใจแล้วใจจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปจะมีแต่ปรมังสุขขังไปอยู่จนถึงปัจป จ, จุบันนี้ใจของท่านก็ยังมีปรมังสุขขังอยู่ เพียงแต่ว่าเราไม่สามารถไปรับรู้ไปติดต่อไปถามท่านได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างไรแต่ในขณะที่ท่านมีร่างกายอยู่ใจของท่านก็เป็นพลังงานสุขขังอยู่แล้วนใจของพระพุทธเจ้านี้เป็นตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกวันที่ทรงตัดสัรู้อะอนุตตราสัมมาสัมโพุทธีย์ก็คือวันที่ท่านได้ทําลายกิเลสตัณหาให้หมดไปจากจิตจากใจแล้ว แล้วก็อยู่กับพวกเราอยู่อีก45ปีตลอด45ปีนั้นไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจของพระ อ, องค์เลยแล้วหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันในใจของพระ อ, องค์ก็ยังเป็นเหมือนสมัยที่มีร่างกายอยู่เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายและจะไม่มีวันตายใจฝุ่นละใจของพวกเราก็เหมือนกันเปยงแต่ว่าพอตายจากร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่มาแบกต่อเพราะเรายังมีการหาความอยาก ยังอยากเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถภาอยู่แต่ถ้าเราตัดความอยากเหล่านี้ได้ใจก็จะไม่มีเหตุที่จะไปไปหาร่างกายอันใหม่ก็จะอยู่แบบพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายอยู่ต่อไปนี่คือเรื่องของการมาศึกษามาปฏิบัติธรรมเพื่อมาสร้างธรรมอาวุธที่จะเอาเอ า, เอามาใช้กับการทำลายค่าศัาตรู ที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับพวกเรามานับเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะทำลายข้าศึกศัตรูให้หมดไปจากใจได้แต่ถ้าเรามีอาวุธครบบริบูรณ์แล้วเราจะสามารถทำลายข้าศึกศัตรูทั้งหลายให้หมดไปได้ภายในระยะอันไม่นานนี้ ดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความเชื่อที่แน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงค์แล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี้มาเจริญมาปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายเพื่อความสุขที่แท้จริงและถาวรที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไววเพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้ผ่อนยาทาวะริวะหาปุราปะริปุรนติสักรังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุ მ หังคิดเปเมวะสมิจโตสาเพปุรนตุสังกะปาจันโทปนระโสยทามณิโชติ ราสโสยถาสภิติโยวิวัจจานาตุสัพพรโรโควินั ส, สตุมาเตภวตัตวันตราโยสุขิทีขายุโกภวะอภิวาทานาสีฤิสะนิจังวุฒาปจายินโนยัตาโรธร ม, มาวาทานติอายุวันโสอสุขัง ตอนนี้เป็นเวลาถามตอบปัญหามีท่านผู้ใดอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้เดี๋ยวค่ะถามถึงเรื่องของผู้รู้ว่าเจ้าค่ะว่าถ้าเผื่อเวลาที่คนที่ยังมีกิเลสอยู่เจ้าค่ะ ตัวรู้อันนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นรู้ที่ที่ไม่จริงใช่ไหมเจ้าคะคือถ้าอย่างคนเวลานั่งสมาธิและจิตรวมเนี่ยมันก็มีตัวรู้อันนั้นอยู่แต่ว่ารู้อันนั้นมันยังมันยังเป็นรู้ที่หลงคือตัวรู้นี่มันเป็นตัวรู้เฉยๆมันไม่รู้ผิดถูกดีชั่วผู้ที่จะสอนตัวรู้ให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีชั่วก็คือปัญญาพวกเราทุกคนนี่มีตัวรู้กันเหมือนกันหมด ถ้าไม่มีตัวรู้เราจะไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆได้แต่ตัวรู้นี้ไม่มีความสามารถในตัวของมันเองที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นดีหรือสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นถูกหรือสิ่งนี้ผิดเนิ่งต้องอาศาัยความรู้ที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญานี้จะบอกให้เรารู้ว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษดังนั้นเวลาจิต เข้าสมาธินี่ไม่ว่าจะเป็นของใครก็จะเข้าสู่ตัวรู้นี้เข้าไปพบกับตัวรู้ตัวรู้ที่อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งไม่มีความคิดปรุงแต่งมาชักนำให้ไปเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาไม่ให้ไปเกิดความโลภความโกรธความดีใจความเสียใจความรักความชังความกลัวความหลง แต่เวลาออกจากสมาธิมาความคิดปรุงแต่งสังข์สังขารสัญญาก็จะมามาหลอกล่อให้คิดไปในทางที่ถูกลืกผิดก็ขึ้นอยู่กับว่ามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาก็จะคิดไปในทางของกิเลสตัณหาอออกมาจากสมาธิสังขารก็จะปรุงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสผพตภะ แต่ถ้ามีปัญญาก็จะมาเตือนว่าไม่ใช่เป็นทางที่จะไปสู่ความสุขเหมือนกับเวลาที่ลูกหลานของเราจะไปเสพยาเสพติดเราก็จะเตือนลูกหลานว่านี่ไม่ใช่เป็นทางสู่ความสุขมันมีความสุขก็จริงอยู่แต่มันเป็นความสุขชั่วคราวแต่มันจะมีความทุกข์ตามมาเพราะว่ามันจะเลิกเสพไม่ได้ และเวลาเกิดความอยากจะเสพแล้วไม่ได้เสพนี่มันจะทรมานมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้กันการที่เรเรียนรู้ก็คือต้องเรียนรู้จากผู้ที่มีความรู้เช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านได้ผ่าน เ, เรื่องราวต่างๆมาท่านได้พิจารณามาอยา่างรอบครอบแล้วแล้วทรงเห็นรู้ทรงเห็นว่า ตัวปัญหาที่แท้จริงก็คือความอยากนี่แลวการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าหนึ่งความอยากนี้พอเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดความทุกข์แลวการทำตามความอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะความสุขที่ได้จากการทำความอยากเป็นความสุขชั่วคราวพอหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมา ดังนั้นถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะได้ฝืนหรือหยุดความอยากถ้ามีอุเบกขาที่ค้างมากับใจก็จะหยุดได้กลับไปตั้งอยู่ที่อุเบกขาคือเฉยๆมีความสุขแบบความสงบดีกว่าแต่ถ้าไม่มีอุเบกขามันไม่มีที่ไปตั้งคนที่ไม่มีอุเบกขาก็เลยทนสู้กับความอยากไม่ได้ก็ต้องไปทําตามความอยาก ถ้าเราสามารถจับคนที่ติดยาเสพติดนี้มานั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอุเบกขาได้เขาจะเลิกได้เพราะเขาจะมีกำลังต้านความอยากได้มีอุเบกขาต้านความอยากตัวตัวรู้ที่เมื่อกี้อาจารย์ก็พูดตอนเทศว่า ใจมันมีส่วนของตัวรู้กับส่วนที่เป็นความคิดทีนี้ไอ้ตัวรู้ตัวเนี้ยมันมันจริงๆมันคือรู้อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นบุตุชนหรือพระอรหันต์นี่ก็รู้ตัวเดียวกันหรือเปล่านะคะรู้รู้ตัวเดียวกันแต่ต่างตรงที่ว่าถ้ามีปัญญามันจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงที่มันรักมันชังที่มันกลัวมันหลงเพราะมันไม่รู้ความจริง ไม่รู้ความจริงว่าสิ่งที่รักที่ชังนี้มันเป็นโทษต้องไม่รักไม่ชังถึงจะเป็นไม่เป็นโทษกับใจและอย่างปัญญานี่ถ้าผลมันเป็นปัญญาที่เราพิจารณาแต่เรายังไม่มีกำลังของสมาธินี่มันก็ยังทำอะไรไม่ได้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ถ้ากว่าจะดับได้ก็คงจะนานนั่นยาก เลยบางทีต้องปล่อยให้ความอยากมันอ่อนกำลังลงไปหายไปเองแต่ถ้ามีปัญญานี่มันรู้ว่าอ่ะกำลังจะไปหยิบยาพิษมากินนี่ก็หยุดได้เลยแต่สิ่งที่เราไปหยิบมากินนี่เราคิดว่าเป็นขนมกันดันการปฏิบัตินี่ก็เพื่อที่สร้างกำลังต้านให้กับตัวรู้ ให้รู้เฉยๆแล้วเวลาเกิดความอยากก็จะไม่ต้องไปทาตามความอยากถ้ามีปัญญามาบอกว่าอย่าไปก็จะไม่ไปได้แต่ถ้าไม่มีอุปเบกขามาต้านความอยากเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ต้องไปตามความอยากไปตามความอยากก็จะไปติดอยู่ในวัตตะของการอยากแล้วก็เติมความอยาก พอเติมเสร็จแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่ได้เป็นมาอยู่ทุกภพทุกชาตินี้ก็เพราะไม่ได้หยุดความอยากแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วทุกครั้งที่เราอยากแล้วเราต้านเราไม่ทําตามความอยากได้ความอยากนี้ต่อไปก็จะหมดกําลังไปก็จะไม่มีอะไร ขึ้นมาเดิงฉุดกใจให้ออกจากอุเบกขาให้ไปหาสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ใจก็จะเป็นอุเบกขาไปตลอดอุเบกขาไปตลอดก็คือบาลมังสุ ข, ขังนี้เองเน้นสมาธินี้ก็เป็นนิพานชั่วขาวเวลาจิตสงบเป็นอุเบกขานี่ก็เป็นนิพานชั่วขาว พอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็ออกมาด้วยแล้วก็มาล่อใจให้ไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์ให้ไปติดกับความการหาความสุขก็เลยต้องหาอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่ถ้ามีปัญญาสอนว่านั่นไม่ใช่เป็นทางที่ไปสู่ความอิ่มความพอความไปสู่ความอิ่มความพอก็คือให้กลับมาที่อุบเบกขา คือไม่ให้ไปทําตามความอยากเราเข้าใจก็กลับมายืนตรงจุดอุเบกขาดีกว่าไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปเองทุกครั้งที่อยากแล้วไม่ได้ทําตามความอยากความอยากนั้นก็จะค่อยๆหายไปเหมือนคนที่อยากสูบบุหรี่อยากดื่มสุราถ้าทุกครั้งที่อยากแล้วไม่ทําตามความอยากนั้นเดี๋ยวไม่นานมันก็หายไป เพรอยากแล้วมันไม่ดืม่มไม่ได้ดืม่มไม่ได้สูบไม่รู้มนจะอยากไปทํำไมเหมือนคนที่ไปขอเงินขอแล้วไม่ได้ไปขอทีไรก็ไม่ได้ต่อไปก็ไม่ไปขอให้เสียเวลาแต่ถ้าไปขอแล้วได้เนี่ยเดี๋ยวคราวต่อไปต้องใหม่ไปก็แล้เพราะไปทีไรได้มันก็พอพยายามอยากได้เงินก็ต้องไปขออันนี้ก็แบบเดียวกัน ที่บอกว่ากําจัดกิเลสเนี่ยก็คือตัวตัวเนี้ยเหลรอจ๊ะครับมันมันก็จะหายไปเองเก็คือต้องมีปัญญาไงให้รู้ว่ า, าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่อุเบกขาอยู่ที่การไม่อยากการทําตามความอยากาไม่ว่าจะอยากในระดับไหนก็ตามลาบยุทธสละเสริญสุขหรืออยากกับเรื่องใดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เหมือนกันเพราะมันเป็น มันจะสามารถให้เราได้ความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วเราก็ต้องกลับไปหาใหม่เต慢慢เิมใหม่่เรื่อยๆก็จะไม่มีวันที่จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขชั่วล่าวผสมกับความทุกข์สลับกับความทุกข์เวลาที่ได้แล้วไม่ได้ตามความอยากไม่ได้ความอยากก็เสียใจบ้างทุกข์ใจบ้างโกรธบ้าง อารมณ์ก็ไม่ดีไม่สบายแต่ถ้าไม่อยากแล้วไม่เดือดร้อนใช่ไหมอยู่เฉยๆได้เป็นสศขจะตายไปแต่อยู่ไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักคําว่าอุเบกขาไม่รู้จักเข้าหาอุเบกขากันในเบื้องต้นเราจึงต้องเข้าหาอุเบกขาให้ได้ก่อนด้วยการเจริญสติระงับความคิดปรุงแต่งให้ใจมีอารมณ์เดียวพอใจมีอารมณ์เดียวใจก็จะเข้าสู่จุดนั้นคือจุดอุเบกขา พอออกจากจุดอุเบกขามาก็ใช้ปัญญาคอยรักษาไว้ใช้สติคอยรักษาถ้าไม่มีปัญญาอย่างน้อยก็ใช้สติก็คือให้จิตยังอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่อยู่กับพุโทโธต่อไปอย่าให้ไปคิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งแล้วเดี๋ยวเกิดความอยากตามมามันก็จะออกจากจุดนั้นไปถ้ามีปัญญาเวลาคิดปรุงแต่งก็ใช้ปัญญาสอนใจให้กลับไปสู่จุดนั้น จ, จุดอุเบกขาต่อไป โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิว่เาเรามีอุเบกขาแล้วเรารู้แล้วว่าการจะทำใจให้เป็นอุเบกขานั้นทำอย่างไรก็คือหยุดความคิดอยู่เฉยๆท่านเองไม่ทำตามความอยากอันนี้ก็เป็นขั้นของปัญญาต่อไปพอเราสามารถทำใจให้อยู่ในอุเบกขาได้เราไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านไม่ต้องนั่งสมาธิเพื่อให้ใจเป็นอุเบกขาเพราะใจเป็นอุเบกขาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าไปในสมาธิเป็นอุเบกขาตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีตัวที่จะมาฉุดลากให้ใจออกจากจุดนั้นตัวที่จะฉุดลากใจให้ออกจากจุดอุเบกขาได้ถูกทำลายไปหมดแล้วคือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆด้วยปัญญาด้วยการเห็นโทษว่า การทําตามสิ่งเหล่านี้เป็นการพาใจไปสู่กองทุกข์ไม่ใช่พาใจไปสู่กองสุขกองสุขอยู่ที่การไม่ทําตามความอยากอันนี้คือปัญญาอ่ามีใครอยากกระถามไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะได้ถามปัญหาทางอินเทอร์เนต็ตต่อไป ครับต่อไปเป็นคำถามจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตและกลุ่มธรรมะบนเขานะครับคำถามข้อแรกจากคุณต้นน้ำนาเจเลยนะครับเมื่อถูกกระทบกระทั่งจากผู้อื่นมีเรียกว่าสัมผัสเกิดอารมณ์ก่อเกิดควรสงบอารมณ์ตนเองด้วยการไม่แสดงกริยาและกล่าววาจาควรเงียบก่อนสัก ห้าถึงหกนาทีแล้วค่อยแสดงกิริยาและกล่าววาจายอย่างเป็นกลางถ้ากระทาแล้วยอมเขาไม่ดีขึ้นก็ลงอุเบกขาไปเลยเท่านี้ถูกต้องไหมครับพระอาจารย์คือใจเราต้องอยู่ที่อุเบกขาตลอดเวลาแต่การที่เราจะไปพูดไปกระทาอะไรเราก็ต้องดูการลกเทศะดูเหตุดูผลว่า ถ้าเราพูดแล้วเราทาแล้วทําให้เกิดผลดีขึ้นมาเราก็พูดเราก็ทําไปแต่ถ้าเราพูดแล้วทําแล้วทําให้เกิดผลเสียขึ้นมากับเราเองก็ดีหรือกับผู้ที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็ดีก็อย่าไปพูดอย่าไปทําดีกว่าปล่อยให้เป็นไปตามกรรมของสัตว์ไป คำถามข้อต่อไปจากคุณกนกศรีนะครับการภาวนาจนจิตถึงระดับไหนสมาธิจึงจะไม่มีการเสื่อมอีกเลยต้องมอีการได้สมาธิด้วยระดับปัญญาถึงจะไม่เสื่อมเพราะว่าถ้ามีปัญญาแล้วเช่นเราสามารถทำใจให้เป็นอุบเบกขาด้วยการระงับตัณหาได้ เช่นเวลาเราผ่านทุกขเวทนาไปนี้จิตมันจะเป็นสมาธิแบบไม่เสื่อมแต่ถ้าเป็นสมาธิแบบเจริญสติเช่นบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราไม่เจริญบริกรรมพุโทโธต่อไปมันก็จะเสื่อมได้แต่จิตที่ได้รับการชําระตัณหาด้วยธรรมะด้วยสติด้วยปัญญานี้จะไม่เสื่อมเนี่ยพอได เพอละความเจ็บความกลัวความเจ็บได้ผ่านทุกขเวทนาได้จิตก็จะอยู่ในความสงบในอีกระดับหนึ่งนี่ที่เขาเรียกว่าระดับของพระอริยะพระอริยขั้นแรกนี่ท่านผ่านทุกขเวทนาผ่านความกลัวตายได้ท่านดับความกลัวความเจ็บดับความกลัวตายได้ความไม่อยากตายความไม่อยากเจ็บได้ที่เป็นตัวที่ก่อกวนทําให้ใจ ไม่สงบเนี่ยวุ่นวายใจคนเราวุ่นวายใจก็เพราะเวลากลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันกลัวความตายกั น, นแต่พอเราสามารถกําจัดด้วยด้วยปัญญาได้ว่านี่แหละถ้าอยากจะให้จิตเราสงบเป็นอเบขาอย่างถาวรในระดับนี้เราต้องปล่อยวางร่างกา ย, เ, ยเราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย มันเป็นอนาตตาคือเราไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็ต้องปล่อยมันไปพอปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายไปได้ใจเราก็กลับเข้าสู่อุเบกขาแล้วมันก็จะเป็นอุเบกขาตลอดไม่มีวันเสื่อมในระดับนั้นแต่มันยังมีระดับที่สูงกว่านั้นระดับอุเบกขาที่ลึกกว่านั้นที่ยังเข้าไปไม่ถึง ที่ยังต้องผ่านต้องทำลายตันหาตัวต่อไปก็คือการมาราคะกับปฏิคะนะมันก็มีขั้นของมันทำต่อไปสมาธิคือความสงบนี้ถ้าสงบด้วยปัญญาแล้วไม่เสื่อมเราเป็นขั้นลอริยมรรยะผละแต่ถ้าเป็นขั้นโลกิยะคือการเพ่งด้วยอารมด้วยด้วยสติกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่เวลาไดไม่เพ่งปับ๊บมันก็เสื่อม เรือสีที่เขาบาเพ็ญสมัยก่อนที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้พวกนี้ก็จะต้องคอยเข้าฌานอยู่เรื่อยๆคอยเพ่งอยู่เรื่อยๆพอออกมาข้างนอกเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว, ย ว, ยวหายไปแล้วก็ต้องกลับเข้าไปใหม่หรือไม่งั้นเวลาออกมาก็ต้องคอยเจริญสติคอยควบคุมอารมณ์ให้อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยเวลาใดที่ไม่ได้ไม่ได้ควบคุมขอความอยากปรากฏขึ้นมาความสงบก็จะหายไป นั้มันมีการจเจริญ ม, มีการเสื่อมในระในระดับโลกียะเพราะตัวที่มาทําให้วุ่นวายก็คือตัณหามันยังไม่ได้รับการชําระนั่นเองแต่พอขั้นอริยะขั้นปัญญานี้ตัณหาได้รับการชําระไปบางส่วนแนะพอส่วนนั้นถูกชําระไปความสงบของส่วนนั้นก็ปรากฏขึ้นมาส่วนที่ยังไม่ได้รับการชําระก็ยังวุ่นวายได้อยู่ก็ต้องชําระต่อไป สำหรับปัญญาทั่งไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในจิตใด้ถึงจะสงบได้อย่างเต็มร้อยอย่างถาวรข้อที่สองนะครับเมื่อจิตได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองหรือไม่รู้ไงก็เพราะว่าเนี่มันเห็นอริยาาสัจสีเห็นว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจเกิดจากความอยากเช่นอยากให้ความเก็บหายไปอยากไม่ให้ร่างกายตาย พอเกิดความอย่างเหล่านี้ใจก็เครียดใจก็ทุกข์ขึ้นมาแต่พอพิจารณาว่าเราไปห้ามความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้หรือเปล่ามองด้วยความมองด้วยปัญญามองความจริงมองเห็นน้นนิจจ์ในร่างกายมองเห็นอ น, นัตตาในร่างกายก็เลยไม่รู้ว่าจะไปห้ามมันทําไมห้ามแล้วเครียดขึ้นมาเปล่าๆพอไม่ห้ามมันปล่อยมันไปมันก็หายเครียดนะมันก็รู้ว่าได้มีดวงตาเห็นธรรมแล้ว สิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามองเห็นอนิจจังในขันแล้วนี่ก็รู้แล้วว่าตนเองเห็นอริยาสัจสี่แล้วและรู้ว่านี่แหละคือเครื่องมือที่จะใช้ในการทำลายตัณหาระดับต่างๆต่อไปไม่ว่าจะระดับไหนก็ต้องใช้อริยาสัจสี่เป็นเครื่องมือเพราะความทุกข์ใจในระดับไหนมันก็เกิดจากตัณหา ต่างๆในระดับของของระดับต่างๆนั้นในระดับของพระโสดาบันก็อยู่กับความกลัวความเจ็บกลัวความเสื่อมกลัวความตายพอยอมรับว่ามันต้องเสื่อมมันต้องเจ็บมัต้องตายห้ามมันไม่ได้ก็หยุดพอหยุดปับ๊บหยุดปล่อยปับ๊บมันก็หายกลัวแล้วมันก็ก้าวขึ้นไปสู่ปัญหาขั้นต่อไป ปัญหาการต่อไปก็คือปัญหาเรื่องกามารมณ์กามราคะยังมีความอยากหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นอยู่อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาอีกระดับหนึ่งคือต้องใช้อสุภะต้องใช้ความไม่สวยไม่งามเพราะว่ากามราคะมันเกิดจากการไปมองเห็นสิ่งนั้นว่าสวยงามไม่มองเห็นส่วนที่ไม่สวยงาม เป็นสิ่งเดียวกันนั่นแหละอยู่เราจะมองที่ตรงไหนมองข้างนอกหรือมองข้างในถ้ามองข้างนอกก็สวยงามถ้ามองข้างในก็ไม่สวยงามพอเกิดการมาราคะเราก็ต้องมองข้างในพอมาข้างในเห็นสวยไม่สวยงามการมาราคะก็จะหายไปอันนี้ก็จะดังับตัณหาอีกระดับหนึ่งการมาราคะก็คือการมตัณหาเลย มันก็เป็นอย่างนี้ไปทุกขั้นมันจะรู้ว่าการแก้ปัญหานี้แก้ด้วยอริยสัจสี่เพราะรู้ว่าทุก์ต้องเกิดจากความอยากเพียง แ, แต่ไม่รู้ว่าเป็นความอยากอะไรต้องใช้ปัญญาแยกแยะดูว่าตอนนี้เราทุกข์เกับเรื่องอะไรแล้วเราก็ต้องพิจารณาเรื่องที่เราทุกข์ด้วยว่าเป็นอนิจจังหรือเปล่าเป็นอนัตตาหรือเปล่าเรื่องเป็นอสุภะหรือเปล่า เอารู้ว่าเป็นอนิจจังเป็นนัตตาเป็นอนาตาัตสุขะเราก็ปล่อยเขาไปเพราะเราทำอะไรไม่ได้พอปล่อยปั๊บความอยากก็หยุดพอความอยากหยุดความทุกข์ก็หายไปงนั้นผู้ที่เห็นอริยาสัจสีแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่เห็นทางไปสู่พันธิพาแล้วไม่มีครูบาอาจารย์มาสอนตอบจากนั้นก็ไม่เป็นปัญหาแล้วมีเครื่องมือแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้ว มีวิรู้จักวิธีแก้ปัญหาใจแล้วะเพียงแต่ว่าจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองถ้ามีครูบาอาจารย์ก็จะเร็วหน่อยบางทีเจอปัญหาแต่ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาก็มีอันนั้นก็จะทําให้ติดได้นานพอสมควรแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์มาบอกนี่คุณกําลังติดมันนะไม่ใช่เป็นไม่ได้ทําลายมันมันรักษามันมาติดมันพอรู้ปรับก็ปล่อยมันเห็นนถ้ามีครูบาอาจารย์มันก็จะเร็ว แต่ถ้าไม่มีครูบาจารย์หรือว่าทุกขตายไปพอเป็นโสวดาบานแล้วตายไปไปเกิดชาติาไม่มีพระวุทธศาสนาก็ยังแก้ปัญหาของตนเองได้ต่อไปพอเวลาทุกข์ใจจะไม่ออกไปข้างนอกจะไม่หาเหตุข้างนอกอยากเข้าหาข้างใน ท, ทันทีพอรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากก็ถามตัวเองว่าตอนนี้อยากอะไรถ้าอยากจะเสพกามว่าเราจะทํางไงถึงจะหยุดมันได้มันก็ต้องคิดเดี๋ไปคิดมาเดี๋ยวมันก็ต้องนึกถึงอสุภะจนได้ะ มันก็หาทางหกนไปได้เองเพียงแต่ว่าถ้ามีคนมาคอยบอกล่วงหน้ากันว่าถ้าเกิดอย่างนี้ก็กินยาแบบนี้มันก็เร็วถ้าไม่มีคนบอกก็ต้องไปค้นหายาในตู้มาลองกินกินอย่างนี้ไม่หายก็ต้องกินอย่างนั้นกินอย่างนั้นไม่หายก็ต้องลองหลายอย่างด้วยกันแต่ในที่สุดมันก็ต้องไปเจอยาที่ทําให้มันหายได้อยงผู้ที่ปฏิบัติเข้าสู่กระแสแล้วเจอรู้คำว่าโซดา ก, ก็คือกระแสนี่เอง ภาษาบาลีโสตะแปลว่ากระแสโสตะปณ ะ, ะก็คือผู้ได้เข้าสู่กระแสที่จะไปสู่พระนิพพานคือได้เห็นอริยสัจสี่อริยสัจสีนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนกระแสที่จะพาเราไปสู่พระนิพพานคําถามข้อต่อไปจากคุณลอนนะครับอยากเรียนถามว่า ทำไมหลวงตามหาบัวและพระลูกศิษย์หลวงตามหาบัวมักสอนว่าจิตนี้ไม่มีตายจิตเที่ยงไม่เกิดไม่ดับแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนในอสุตวะตาสูตรว่าแต่สิ่งนี้ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปในการคืนและกลางวัน แบบนี้มิขัดกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหรือครับคือมันเป็นภาษาคําพูดที่เราใช้กันที่เราไม่สะไม่รู้จักแยกแยะคือจิตที่ไม่ไม่ตายนี้มันก็มีจนเวลาร่างกายตายไปนี่จิตยังไม่ตายนี่คือพูดส่วนนี้แต่จิตที่เกิดดับเกิดดับนี้พูดถึงความคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้มันเกิดดับเกิดดับ จิตบางทีสดใสเบิกบานบางทีก็เศร้าซ้าอยง้อยเหงาอันนี้ก็เรียกเป็นจิตเหมือนกันนั้นบางทีคําภาษาที่มันใช้กันเนี่ยมันจะทําให้สับสนสําหรับคนที่ไม่ปฏิบัติถ้าอา่านหนังสือแล้วมันก็ไม่มีวันที่จะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับอคําพูดกับภาษามากจนเกินไปนขอให้ปฏิบัติะ คือขอให้เข้าใจคำหลักๆว่าจิตที่ไม่ตายก็คือจิตดวงที่หลังจากร่างกายตายไปแล้วไอ้ดวงนี้ยังอยู่ไอ้ดวงนี้ที่ไปเกิดใหม่ที่ไปได้ร่างกายอันใหม่ก็คือจิตเนี่ยแล้วภายในจิตดวงเนี้มันก็มีไอ้ไอจิตที่เกิดดับเกิดดับอยู่ก็คืออารมณ์ต่างๆอารมณ์ดีอกดีใจเศร้าซอยหงอยเหงาอันนี้มันก็เขาก็เรียกจิตเป็นกัน เั้นต้องเวลาจะศึกษาอะไรมันต้องมีการปฏิบัติด้วยมันถึงจะเข้าใจถ้าอ่านอย่างเดียวนี้มันก็มันก็สับสนได้งั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ขอให้ไปปฏิบัติไปพิสูจน์ ด, ดูเหมือนคนที่ไม่กินทั่วเรียนกับคนที่กินทั่วเรียนเนี่ยคนกินทั่วเรียนอธิบายให้คนฟังที่ไม่เคยกินว่า มันหอมอีกคนก็ว่ามันเหม็นเนี่แล้วมันจะเอาอย่างไรเนี่ยคนหนึ่งก็บอกวาหอมคนหนึ่งก็บอกว่าเหม็นเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอยู่ที่คนที่จะไปเอาส่วนไหนของมันออกมาพูดคนที่เห็นว่ามันกลิ่นแรงแล้วไม่ชอบกลิ่นนี้ก็ว่ามันเหม็นคนที่ชอบกลิ่นนี้ก็ว่ามันหอมจะตายน่ากินจะตายคนที่ไม่กินจะไม่รู้ว่ามันหอมอย่างไรมันเหม็นอย่างไร ขอให้ไปกินดูก็แล้วกันอันนี้ก็เหมือนกันอยากจะรู้ว่าจิตที่ไม่ตายเป็นยังไงอยากจะรู้ว่าจิตที่เกิดดับเป็นยังไงก็ขอให้ภาวนาเต่ะเราจะเห็นเองเราจะไม่มีไม่มีปัญหาปัญหาก็คือชอบอ่านชอบฟังแต่ไม่ชอบปฏิบัติคำถามข้อต่อไปจากคุณบีบอยนะครับทำไมเมื่อไม่มีสังขารแล้ว เหลือแต่จิตเวลาได้เกิดใหม่ถึงจำอะไรไม่ได้ทำไมจะจำไม่ได้คนที่เราลึกชาติได้ก็มีความจำของแต่ละคนก็มีระดับมีไม่เท่ากันบางคนความจำสั้นบางคนจำยาวใช่ไหมบางคนนี่ยืมเงินไปสิบปีแล้วยังจำได้แต่เวลาไปยืมเงินเขาในสมวันก็ลืมแล้ว คำถามข้อต่อไปนะครับผู้ปฏิบัติสามารถรู้วันละสังขารตนเองหรือกําหนดวันละสังขารตนเองได้หรือไม่และถ้ากําหนดได้ถือว่าเป็นบาปเหมือนการฆ่าตัวตายหรือไม่ไม่หรับก็คนที่เขาเข้าดูร่างกายเขาตลอดเวลาก็เหมือนหมอหมอก็ทํานายได้ไม่ใช่หรือว่าคนไข้เนี่ยเหลือสามเดือนหกเดือนใช่ไหม แล้วคนที่ปฏิบัติทําไมจะประเมินดูสภาพร่างกายของตนเองไม่ได้ว่าจะอยู่ได้สักกี่วันเขาดูได้ดูดูจากความเป็นจริงของร่างกายแล้วมันจะไปบาปตรงไหนงนั้นหมอก็บาปเลบอกคนไข้ว่ารักษาให้คุณไม่ได้แล้วเนี่ยอีกสามเดือนเป็นอย่างมากคุณก็ต้องตายมันได้เหรอคนที่มีความรู้เกี่ยวกับร่างกายเขาก็สามารถบอกได้ว่าร่างกายนี้มันมันถึงไหนแล้วมันจะใกล้ตายด้วยอย่าง คำถามข้อต่อไปจากคุณก๊อฟนะครับบางช่วงเวลาปฏิบัติแล้วเกิดนิมิตมากมายจะปรากฏชัดก็ไม่ใช่แต่เห็นลางๆหรือแค่รู้บางครั้งเห็นอดีตในสิ่งที่ตนเองทำทั้งบุญบาปก็ปรากฏชัดพยายามดูไปเรื่อยๆรู้สึกว่าความคิดมันวิ่งเร็วมากเหมือนนั่งจรวดพอดูไปเรื่อยๆได้สติ พยายามกลับมาอยู่ที่ร่างกายทาศีรมาหาที่ร่างกายมันจึงสงบพอที่จะหลับพักผ่อนได้เป็นสุขทำอย่างนี้ไม่ทราบว่าผมปฏิบัติถูกไหมบางครั้งสมาธิมันน่ากลัวหากไม่รู้เท่ากันถ้าปล่อยให้จิตคิดตุงแตนปล่อยให้จิตไปรับรู้เรื่องนิมิตต่างๆนี้ก็ผิด ควจะอยู่กับอารมณ์ที่ตนเองใช้เป็นการกล่อมใจใช้พุทโธก็ให้อยู่กับพุทโธไปจนกว่าจิตจะสงบนิ่งเป็นอุเบกขาถึงจะถูกแต่เวลาปฏิบัติไปนี่ลืมลืมงานที่ตนเองทำอยู่พอมีอะไรก็ามาเกี่ยวข้องก็ไปบางทีพุทโธได้ไม่กี่คาคิดถึงลูกก็ไปเรื่องลูกคิดถึงงานก็ไปเรื่องงานแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีสติแล้วเลสติ <c oughs> ผลจะไม่ปรากฏเรื่อผลปรากฏก็ไม่จะเป็นผลที่ควงจะควรที่จะได้รับก็คือจิตไปรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดมีอารมณ์ต่างๆตามมาอันนี้เรียกว่ามิจฉาสมาธิต้องสามมาสมาธิถ่าอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วจนกระทั่งทำให้ใจกายเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เฉยๆละงับความคิดตรุงแต่งความจําได้ไหมายรู้ต่างๆหายไปหมด หรือศัก์แต่ว่าเรอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับความเป็นอุเบกขาอันนั้นนะ่ะคือเป้าหมายจะเป็นได้ก็ต้องให้มีสติกับกับใจให้อยู่กับอารมณ์เดียวเวลานั่งสมาธิเวลาตั้งกําหนดอารมณ์ในอ า, อารมณ์นั้นอย่าไปเปลี่ยนถ้าดูลมก็เอาลมไปอย่างเดียวจนกระทั่งมันสงบถ้าพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวนี่ท่านหมายถึงเวลานั่งนะเวลาทาอะไรให้ให้มันเป็นอารมเดียวมันต้องเอาอย่างเดียว แต่เวลาอื่นเวลาออกจากสมาธิแล้วเราอยากจะเปลี่ยนกรรมฐานเป็นอย่างอื่นก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากการดูพุทธบริกรรมพุทธโถมาดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เปลี่ยนจากการดูลมหายใจเข้าออกมาพิจารณาอาการสาสิบสองก็ได้อันนี้เปลี่ยนได้แต่เวลาที่นั่งนี้ไม่ควรเปลี่ยนเวลานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้เป็นหนึ่งนี้ต้องเอาอันใดอันหนึ่งแล้วอยู่กับมันไปแล้วถ้าจะเปลี่ยนก็เป็นแบบเปลี่ยนเกียกรย์รถเช่น ตอนต้นนั่งแล้วมันฟุ้งมากก็ใช้พุโทโธใช้การสวดมนต์ไปก่อนอสวดมนต์ไปจนกระทั่งจิตมันรู้สึกว่ามันเบามันสบายอยากจะหยุดสวดก็ดูลมหายใจต่ออย่างนี้เปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนได้แบบเปลี่ยนเกียร์รถเวลารถจะออกต้องใช้เกียร์หนึ่งก่อนมันถึงจะออกได้ถ้าใช้เกียรส์สีมันก็ดับมันไม่มีแรงพ อ, อการดูลมก็เป็นเหมือนเกียร์สี่การสวดมนต์นี่ก็เป็นเหมือนเกียร์หนึ่ง ถ้าจิดมันฟุ้งมากมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มามากก็ต้องสวดมนต์ไปสู้กับมันไปก่อนมาดูลมมันสู้กับความฟุ้งไม่ได้นถ้าเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนได้แต่ไม่ใช่เปลี่ยนไปตามมาลมอะไรมาสัมผัสก็นั่งดูลมพิจารณาไปเดี๋ยวให้พิจารณาร่างกายไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบแบบไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีเหตุไม่มีผลอันนี้มันจะทําให้เป็น เป็นเครื่องมือของกิเลสตัณหาที่จะไม่ยอมให้เราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังคำถามขอยกไปพรุ่งนี้ต่อครับพระาอาจารย์มีใครเพิ่มเติมไหมครับถามได้เลยนะครับถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาขอให้ท่านทั้งหลาย อ่ามีไม้ค้อนอย่างเนงะอ๋อไม่ใช่ครับ่ไม่ใช่จะขอประกาศอะไรเลยอ๋อของระจารนะครับอ่เป็ น, ปนอ๋อพี่เล็กออไม่ต้องประกาศไม่ต้องประกาศข อ, อเดี๋ยววุ่นวายเพงั <c oughs> ้นจะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณา ไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเธอถิด